หนูสักปี I'm you baby แอบรักคนมานันกระ็สองดี Kiss me สักทีในคนดีแล้วเธอหูตรงไป I am sorry ไม่ต้องน่ารักอะไรขนาดนั้นก็อย่าเจ้าชูกับพี่ก็แค่นั้นอยากให้รักจริงไม่ใช่แค่ความฝัน I miss you กับดูคนเท่านั้น baby ทำได้ถ้าหนูนะต้องการหนูไม่ต้องอายแค่ทำให้พี่ยิ้มพี่ก็ละลายอยากเป็นสถานะกับพี่ก็ได้ mm hmm. ไม่ต้องน่ารักอะไรขนาดนั้น mm hmm. ขออย่าเจ้าชูกับพี่ก็แค่นั้น mm hmm. อยากให้รักจริงไม่ใช่แค่ความฝันไอ mm hmm. i มิ y อยู่กับหนูก็าเท่านั้น mm hmm. I'm not a r i d o t h a r k